มาตราทวงนี้ก็ออกมาจากมาตราวัดนั่นเองมาตราวัดใช้แต่เฉพาะด้านยาวกับด้านกว้างมาตราทวงใช้ด้านตั้งหรือด้านสูงขึ้นอีกมาตรานี้สำหรับใช้กับประมาณของเช่นน้ำหรือข้าวเข้าใจว่าเดิมทีคงใช้กระโหลกมะพร้าวเป็นหลักในวิธีกระจายออก โคงเอากำ ม, มือหรือฝ่ายมือเป็นหลักมีรูปดังนี้ ห, หมุติคือกา ม, มือเป็นหนึ่งกุธวะคือฝ่ายมือสองกุธวะเป็นหนึ่งปัตะคือกอบสองปัตะเป็นหนึ่งนารีคือทนานสนารีเป็นหนึ่งอะหะหกะ มาตรานี้ฟั่นเฟือมาปฐะกับนารีเป็นของที่เข้าใจยากในประกรณ์ทั้งหลายเข้าใจเป็นอันเดียวกันไปเสียแต่ในคำพีวิพังกล่าวถึงประมาณบาดว่าบาดขนาดเล็กจุข้าวสุกแห่งข้าวสารหนึ่งปฐะบาดขนาดกลางจุข้าวสุกแห่งข้าวสารนาลีหนึ่งบาดขนาดใหญ่จุข้าวสุก แห่งข้าวสารกึ่งอารหะกะนี้แปลว่าทวีคูณตามในนี้ปัตถกับนาลีต้องเป็นของต่างกันข้าพเจ้าจึงถือเอาปัตถหนึ่งซึ่งว่าสี่กุทวะในคำภีอภิธานปทีปิกาเป็นนาลีหนึ่งแบ่งครึ่งนารีหรือสองกุทวะเป็นปัตถหนึ่งเมื่อจัดเท่านี้ ก็เข้ากันได้หมดมาตราตวงหรืออาระหะกะขึ้นไปยังมีอีกแต่ออกชื่อในบาลีพระวินัยเพียงเท่านั้นมาตราช่างการตวงรู้ได้แต่ขนาดเช่นข้าวสารกับทรายตวงด้วยทนานกองเท่ากันการกำหนดรู้หนักต้องใช้ช่างมาตรานี้สำหรับกำหนดประมาณของ ที่มีขนาดไม่เท่ากันเช่นโลหะต่างๆในบัตรนี้สินค้าอื่นก็ใช้ช่างเหมือนกันน้ำหนักนั้นเข้าใจว่าจับเอามาสกคือเมล็ดถั่วหรือเมล็ดมะกล่ำตาช้างเป็นหลักในวิธีกระจายเทียบมะกล่ำตาหนูและข้าเปลือกต่อไปอีกมาตราสำหรับใช้ช่างของอื่นจากทองเงิน มีรูปดังนี้สี่เมล็ดข้าเปลือกเป็น1กุญชาคือกล่อมสองกุญชาเป็น1มาศคือกล่5มามาศเป็นสองอาขาแปดอาขเป็น1ทรณะ10ทรณะเป็นหนึ่งปะละ100่รประละเป็น1ตุลา20ตุลาเป็นหนึ่งพาระ มาตราสําหรับใช้ช่างทองอันมิใช่รูปิยะมีรูปดังนี้สี่เมล็ดข้าเปลือกเป็น1กุญชา2กุญชาเป็น1มาศกหามาศกเป็นสองอัคคะแปดอัคคะเป็น1นึรณะ5้ า, ารณะเป็น1สุวรรณะห้สุวรรณะเป็น1 น, นิขะเข้าใจว่าทองเงินที่ทําเป็นลิม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 ห้ามาศกเป็นสองอคขะจะโทษว่าคาถาที่แสดงเรียงไว้ไม่แจ่มก็ไม่ได้ผเอิญเข้าใจต่างไปเองความเข้าใจของข้าพเจ้าถูกกับของท่านอาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์สังขยาปกาศกะมาตรารูปยะนี้สำหรับกำหนดตีราคาสินค้าใช้กระหาปณ ะ, ะเป็นหลักมาตรา มีแต่วิธีกระจายไม่มีวิธีผนวกมีรูปอย่างนี้หามาศเป็นหนึ่งบาท4บาทเป็นหนึ่งกระหาปณะนะพึงรู้อธิบายอย่างนี้กระหาปณ ะ, ะมีหลายอย่างแต่กระหาปณ ะ, ะในกรุงรัชครืครั้งทรงบัญญัติอธินาทานสิกขาบทนั้นเรียกนีลกระหาปณะนะในคัมภีร์ทั้งหลายกล่าวว่า ผสมทองห้ามาศเงินห้ามาศทองแดงสิบมาศบ้างก็ว่าเจือเหล็กหนึ่งเมน็ดข้าวบ้างก็ไม่กล่าวถึงหลอมเข้าด้วยกันทำเป็นรูปแล้วตีตราพิจารณาตามในนี้เนื้อนีละกะหาปนะนั้นเป็นมากน้ำหนักเท่าธรณะหนึ่งมาศในมาตรานี้ไม่เหมือนมาศในมาตราช่างของ เป็นแต่สักว่าชื่อติดมาแต่การกำหนดน้ำหนักแห่งรูปียะในคัมภีร์วิพังกล่าวว่าทำด้วยโลหะก็มีด้วยไม้ก็มีด้วยครั่งก็มีส่วนบาทนั้นไม่ปรากฏว่ามีรูปทำด้วยอะไรทำด้วยนาคอย่างเดียวกับกะหาปนะหรือทำด้วยของอย่างอื่นหรือคงมีรูปแต่กะหาปนะกับมาศ รูปแห่งบาทไม่มียังไม่ได้ตามกระหาปณะนั้นถ้าเป็นทองคำแท้ก็คงเทียบราคากับน้ำหนักด้วยกันได้แต่นี่เป็นหน้าพระอาจารย์ทั้งหลายเมื่อเทียบมาตราทองคำจึงลดเสียครึ่งหนึ่งและกล่าวไว้ว่าบาทหนึ่งนั้นให้เทียบทองคำหนักยี่สบเมล็ดเปลือกโดยในนี้ สีเมล็ดขัาเปลือกต่อหนึ่งมาศกให้ลงสันนิษฐานว่าครั้งรจนนาคัมพีเหล่านั้นราคาทองแพงกว่าราคานาเท่าตัวแต่ข้าพเจ้ายังไม่แน่ใจว่านีละกะหาปณ ะ, ะทำด้วยนาคยังไม่เคยรู้ว่าในประเทศไหนครั้งโบราณก็ดีในปัจจุบันก็ดีได้ใช้นาคทำเป็นรูปียะมีแต่ใช้ทองล้วนเงินล้วน ข้อที่ท่านให้เทียบด้วยราคาทองคำนั้นหลักแหลมอยู่ถ้าเข้าใจว่านีละกะหปนะเป็นทองคำบริสุทธิ์ล้วนหนักสิบมาศกซึ่งกระจายเป็น80มเมล็ดขัาเปลือกหรือรวมข้าวหนักกึ่งธนะชจะเข้ารูปได้ดีทีเดียวจะต้องผสมเงินผสมทองแดงให้มีน้ำหนักขึ้นอีกเท่าหนึ่งแต่เนื้อคลายลง เพื่อประโยชน์อะไรมาตราเหล่านี้แม้กาหนดเอาสิ่งที่เป็นอยู่โดยธรรมดาเป็นหลักเช่นอวัยวะคนและพืชก็ยังแผลกันได้เหมือนกันเช่นคนในประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งขนาดก็ต่างกันแม้พืชก็ต่างกันเพราะเหตุนั้นท่านผู้ครอบครองบ้านเมืองนั้ น, น, นจึงต้องบัญญัติมาตราเหล่านั้นไว้เป็นหลัก เพื่อคนทั้งหลายจะได้ถือตามสำหรับตัดสินพิพาทกันด้วยเรื่องมาตรานี้เรียกว่ามาตราหลวงเช่นเราเรียกกันอยู่ว่าว่าหลวงทนานหลวงหรือทนานตีตราอยู่ในประเทศใดควรถือมาตราหลวงในประเทศนั้นเป็นหลัก